ใจพวกคอต่อใจคือต่อยังมาเรจแล้วต่อพีเป็นยังีคือต่อนอกเป็นอง้อคือต่อโตต้องเป็นโปลโลเวลาคือต่อพีเป็นยังพีรู้บ้าคือตาหงสจะมกเรียนกายคือต่อนอกเป็นรออกับ้าคือตาหจมูกเรียนกายคือต่อโตยังเป็นโปลโลมันใจทาดีกับมันโตทาชั่วกับมันโตควเดีอนกับควรอนโตอย่าู้เดียร์อนควบเดียรอนกับมันโตอาพูดเดียอน มันโือดลถอนรวยมามาทํางินอะไรมันบมเดลถอนด้วยอะไรพอเห็นได้มันจังโมเดลถอนพอเห็นได้มันจังเดลถอนแมันสอกมันสอกถามหามันมึงดูพอเห็นได้มันจังบมลงมันพอเห็นได้มันจังตั๋วมันมันจังรอมันไหนมาหลอมันจะดีมันมาขำมันมันมันไหนมาตัวมันจะดีขำมันมันมันดีพ่อเราบ่มันร่างรางกายมันได้หรือบ่มันเป็นที่เพิงของมันพ่อเลาบ่ มันแคสิว่างไงโรบไครกลัวถลงมาเป็เจ้าหัวใจมันเป็นผู้คับมันเป็นผู้หน้ามันหน้าเดินกรับล้งหันเงียบวุดทหารกลัวหันมันใช้หลบไครกลัรถล่มามาหันมันแต่มันสำคัญนะมันสลาดมันเสืี่ยมันจังห่ะผนทุกใจเนี่ยมันจะมาเอาควาเดือดห่อนมาใส่มันความเดือดห่อนเขาเรีตัวเองจังหวะมาใส่มันสอบเอความเดือดห่อน จีได้ที่เป็นประโยชน์มันจะมานเงไปแผ่ผู้อื่ น, นั่นคือมันก็นเดือดห่อนที่ได้เป็นประโยชน์ทั้งมันทั้งผู้อื่นมันจะคพัจิตเป็นที่สบายทั้งสองทางไรคาว่าหายใจน้อยเขาน้อยเขาเสนะียแน่ปัญหาสมมติแล้วใครคาว่าหายใจอยโอ้ยกลวงลวดเสียนะ่มัมีทั้งสินเข่าโก ง, ง่ายเลยบุ่มบวมบมออกนอกไรคาว่าหายใจสิเขาโก ง, ง่ายโนยะ่เขาป็นค้น่อน คนไหวเจ้าสารเจ้าเียังเจ้าคนจากเกลียดปัสสะเสียงไหวมันคนื่อเจ้าม่านพลจากเกลีเจใจสำคัญไหวเจ้าสลาดเนี่ยเมื่อว like ันเจ้าสิวตัวห้เจ้านอนใจเบากว่าเสียดไม่เจ้าคนลนาร่างกายมันแตกมาไหวเจ้าสิวน้ำมันในเบาปัาวะเสียงแล้วก็นอนเฝ้ากองขี่ตัวเสมือนปัสสาเสียงจตว่าเจ้าสลาดเจ้าสิวไมนอนเฝ้ากองขี่ยังจะสมบูวเขาสู้เขานี่พานพุ่นปวะเสียงเมื่อวนเจ้ากับมันเจคนรกายนะเมื่อนเจ้า นาต่างเจ้ากับมันจมูกมันดังคุ้มผมคุ้มขนมุงลวดน่ะมุงลวดเพราะอยากคิดตลาดน่ะนาต่างนาต่างพวกตัวพวกตูวใหญ่ทั้งไตอ่ะทั้งทว่านนักทว่านเบาแล้วคใหญ่ทั้งบนทว่านปากทว่านดังทว่านตาทว่านหูทว่านแล้คนหน้าร่างกายคุ้มขนคุ้มผมมุงรวดน่ะ นั่เขาไปหันได้ไหมนังท่นเนี好好่ยเออเอยู่ราชศาสตร์แล้วพบเบิองขัปกน้าวัฒนาแหว่ย่องมึงขักกน้าคือเมาเอฝ่าวราชศาตแล้วพบแฉวัฒนาแหว่ร่วมมาล่วงของฝ่าว่ากันแล้ววัฒน์สอบเบื้องข้าว่าไงดอกนังเอาเบื้งข้าวอนสมุดเอาผ้าว่นนาอกสีอกคือไก่ย่องมึงมันสึงีงลักษณะเช่นอี้ใส่วดมัดขคอข้อยาใส่วดกินสมุดเบิ้ง ของข้อเดียวดกลมสมุะากระดูกร้อนออกมัดสิ่นร้อนออกมัยังธากระดูกเกรงแหงเกรงห้งงแงนางเงีกโปกๆด้วย่วมอกโปกๆด้วยใขาโก่งขาโค่งด้วยกระดูกกระดูกอันนี้คือขอดกองนะซุบอยู่นี่กระดูกแขนกระดูกยังิไล่ลองดูไลใน้เีิกายยานคอนปรุงปุงกาย กุเทพมหานครกุงกายครับพี่จหน้าเนี่แต่คักหลักปนเทพคเทพพระดาเทวอุธรยี่พอดีเป็นวสุทธิเทพอรหันผลว่าไปจำหนานั่นจำหนานี่ยุกไกตัวพระนาระยณ์พิรกนาทีสนานาที่เขานีย่งนาไพรกได้เนี่ยเขาบังกับคักนาว่ไนี่นะพระไตรพรกว่าช่ไหพระเจ้าที่ต้งมีเนะ ยี่มั่งกรรมฐานนั่งวิยี่มั่งกับแปลว่านี่เด้ยี่มั่เอนี้มาว่าโน่นยมามั่ยี่มั่งกับว่านี่เด้ยีมาทกรรมฐานนั่งตักกรรมฐานตั้งโน่นนี่วะิยี่มังเนี่เรียกว่าไกลก้อยกอีมานี่อี้มานี่หรือเอตาเนี่ไก่เยยี่มั่งนี่าวะสมีประสบการณัวะสิกระดูกกับมีระสบการณตัวอการิโกวะสข่อมไปด้วยคนเราก็มีประสุการณ์ตัวอการิโกวะสิ มันสกปรกโสมไหลออกมาไม่มสุการตัวนั่นน้ำเลือด น, น้องๆจะแท้ยังไง น, นี้เหม็นไม่สุการ์ดตัวน่แน่ฟองเงิปากนี่ก็ว่าร่างนี่ต่สีมาดนบางรูกน้อยงยยอดทับห น, น, น, น่้บนนี้กายคาสถิตนี่กายคตาสติประธานนีนน่อ๋อสติปรนนะธานทีตะกายานุวันาน่ี่เจ้าหน้ากายเป็นของมัมนว่าเทียรเป็นของโ่เสาบง่าเป็นของพุิกูล เราเห็นกายเนระเห็นด้วยเอทนาเราของของเอทนามาันอยู่ในร่ากายเนะี่เเห็นยึดคือกับเาฮะเยห็นท่อมขึ้กัฮะ่ก็ยึอยู่กน า, านสุขวางควันที่กายตรห่วงหน้าว่าสนันแนวแว่าหมันเห็นสุกล่หายใจเขาออ ก, กแหงดีว่าสันแ้วนี่แหละแ้ว่าสันเรางบปานี่แห้งงบยนยันวน่าสันงบหมดเออง น, นอกแห้ว่าสนัน พอไอ้เจ้าข้อไอ้ดุกไปพอไอ้ไอ้ดุกน่อวัดไรจักตมันมันมันโจรมันโจรมุ่งมันมันโวอยู่ในแหเดิจับวัไรเจ้าพอนีพ่อไรไอ้ขอไอ้ดุกอะโรายังห้องว้มันจับมันป่าในแหแล้วกิได้ละอะขอโ๊เจ้าของมันตัวเจ้าของเขยังมือขเรคว่ำสงสัย่คิดใจเขากู่าจะลงลงลงทงงเนี้ยกูลงอันนี้เพาั้นลงมันวันอื่นลงอันนี้ เพไปแก้อรื่นงเฮ็ดยังไงแม่สิแก้ได้เวศ น, น้อยเนี่ยหลงอันนี้จ้องต้องว่าหักหัยหักง่ามยูนี่วศน้อยเนี่ยจังว่าถือมันมันมันเที่ยงยังนี่จังว่าเขาใจาวิดศิษตายตัวเวศนเนี่ยเพาพระที่เจ้าว่าของบ่วยบาง่ามน่าจนหน้าร่างกายน่าสะไปเทียงไรบ่ของคนอร่อยง่ามเคยเที่งนี่เสศเทียงเทียงไรบ่เจ้ามาเหม็นาฉันต้องคนอร่อยหอมคือให้เปรี้ยวถึงว่าเัีนบ่เทียงบ่เดี๋ยวอะไร ไหลออกคู่ทงังไหลออกทังดังว่าขีโมกไหลออกทั้งปากว่าทำร้ายวา่าหักไหลออก ท, ทนนัก้งสันพันธ์หรือว่าอุจจระสัมพันธ์บอกว่าปัสสาวะไหลออกังคุ้มโผล่คุมผมกับว่าหนังเงื่อนหนันไข่มันม่ีความจิมเงเพงแค่ไหนไปเลยนนสิมานนเ์เสายังกลกไปเลยเบิ้งน้องคับขานนะว่าสันน้อยว่าอสาัดขันหว่าสันอ๋อมันวางงามว่าสวยกับว่าจ๊ะ ถ้าหังกคาขาน่อกข้วดพวกสกราสั่นแล้วมันเคิว่าฝว่างามกว่าวาซักมาสั่นแต่ว่าหังข้อขวดพกอนปราสั่นแล้วมันจริงหรือว่าจริง่าสั่นแล้วผู้หญ้ผู้เญิงมาหญ้ามาเกี้ยตัวใช่ไหมาสั่นแล้วรกามาเรี่หูดาเขาสั่นแบบเขาสั่นระช่วงมันไปมาสั่นแล้วบอกมันยิงเสียงเบาย่งนั่นนยิงเสียงผู้หญิงนีแหละหเกลี้ยตัวใไหมมาสั่นแล้ว เดือดตัวมากได้ไมเหรอว่าถนนถ่วงมากแล้วมันว่ปล่อยเราเราว่าถ่วงมากเหมันปล่อยก็คั่กนั่นพอเห็นแล้วนั่นสมมติกะไ่ไหมถ้ า, าขับไปเยกหัวาดากกักเขาจป็นรรัดมันนี่คดูมีเวลาที่มันปลาให้มันไป ก, ก็ขกเขาว่วนส่วนปวดส่ ว, ว, วมนมันจะง่ายก็ง่ายก็ให้รถตกทงองร่องล่ะมันเคกมากขับเพียได้เลยรถมีห้วยจริงเราจะมัเขมากอ่ เปียอะเียเอาดิว <t> ั <discourse> ีมีทั้งรบเลยมีรถมีปิดนั่นมีลวกมัดได้นั่นเนาะนอนลงมานีละน้อยแต่เ่มหลายดอกหลายเหมือที่พััามขันกับนอยนอนลงมานีอ๋อขันไปท้งเปียทงเน่าอยู่บนเง่อขงแม่น้ำขึ้นขันไปทั้งใก่ทั้งเจ็บของตาอยู่บนเงื่อนขงแม่น้ำขึ้นดี๋ยวลงทํามัดใส่ไม่เอว่างใสเอว่างนางนีได้ยู่ใสเอ๋มีน้โมตกสาอยู่ใสเอ๋ แดือดปากกาได้ชนินี้โยใส่อ๋อมันดูดปากกาชนินี้เลยกรปุกดกาไชนินี้ยบเีข่ึงกนอ๋อเขาพันขาอยู่นี่เลยอ๋อออกักออกจากนี่แหละพนออกคัดากพนเบื่อนายอันนี้เดืก็ออกอ่ะตัวเจ้าออกัากเขาอยู่ภายในผนังเบื่อนายสาดได้พบเมื่อน่ายสะกรงกายว่าใจแต่ยเบื่อนายบัดรในใตรากรานี้เข้ยออกพูายในผนังไดออกจากความหลงออกพัดา มันมีกมระเพ้าเนี่ยโมรูเนี่ยนาขั้นดานนี่าวัชนาทุ่ม้วนไดถือตงาเงไปดูดเนอื่นวาทุ่ยรูกิจแตกนี่ยวั ด, ยดัยพยโยิออรร ย, ยังวัาทุ่อันนี้เียงแค่ ม, มรูวัชนาทุ่ยนั่นเป็นจริงแค่ไรเสียงพี่าาัชนรูกิจที่แตกียงรูดอื่นวัชนาท่องเอาตะกวมนันมาเทียงกันจนบอกว่าเทียงวาจะคองข่าจำได้อันนั้นาจำได้อันนี้ ตัวจำไม่ได right. ้ข <deutsche chega, S 1> <warn> ้าวข้าวจำไม่ได้ข้าตัว่ากันแตกสานอันนี้เราคือเรียกพระไตรปกแตกเลยผมข้องกำนัดแน่นี่เถึงฝาหน้าข้ามี่เลยเรยเนาะจากคจำมันพารานเลยเถึงฝาหน้าข้ามี่แหละเขาบอย่ะเลยใหม่มันแหงเด้มันมันมาซูมด้วยยางเล้แต่สีนี่แล้วก็ตัวตัวตื่นเลยผมต้องถิญฝาหน้าข้ามี่แหละเขาใหม่ผมบอกแหงหม่ซูมเลยด้วน้ามือ เิดซีกับวระศามตรจะเกิดไฟได้เดนัพัทธวัดังบเกิดอีร้อยสาองสาสาหนึ่งสองสาสามสามยีสาก็นี่ยี่ยบสามนี่อัคคามาติยันตีว่ทั้งแปสามถ้าถ้าข้ามี่เกิดอีกสามสามพระหน้าข้ามี่เกิดอีกหาศาตร์ก็มีเยี่ยบศาสตร์ก็มี่หาศาสตร์กับนี่แปดศาสตร์กับ้ี่เกิดในโลกมนุษย์โลกเทวโลก ผมวมามนุษโลกมายุมน hey. well, <c oughs zeit> no ุโลกเทวโลกมันพอพอสดาวบันเนาะสกทาคาม่เนาะสกาม้า่าสอทหน้าฆามีหุ่นพมลกเลยเกิดลักษะของตัวนี้หุ่มลกที่พวกที่จำพวกขางตัวหนึ่ง่ได้เกิดเกิดเกิดนี่หุ่ลกสันนิษนนึงอะไปรรดได้พหน้าฆ่าไม่ได้เทวโลกวันไหนกับหุ่นพมลกวันไหก ไปว่าหารหลดงนึงเราตองอายุอ้วนขึงกึ่งเราตองเกลนอนึ่งแล้วเกลือสิับจุนมัดสีสี่กับจังคอยจังคอยสาเร็บหนึ่งอ๋อมดสิ่นกลับปจวนมดอายุไขในสันหนั้นนกฟองหนึ่งนบ่าพัดวนมดอายุไข่ในสันหนาผนกจุนมุอายุหาพัดกับางสี่นึกว่าฉันิหาพัดกัปันเคืองมัน บ้าบ้ต so ่งเครืองต่อต่อสองพันหาห่อยมันนี่ก่อนพวกนึ่งจวนที่สุดบอกหนึ่งทำความเพียรเลียวแรงที่สุดอย่างไร่วกหนึ่งมัทำความเพียรเลี่ยวแรงเป็นธรรมะนะพวกนั่นกันออกไปเอาไปเกิดในอวิหะออกจากวิหะไปสัป่าเมืออนิสงส์นะวิหะเราไปสัปปสปป อันนี้สองในอาารตปาไปสุทสาบออกมดอันนี้สองในหันไปชุดสตีมดอันนี้สองในหันไปอีกันนี้สก่าเฟิงหนึงเอาวิหารไปไปตะปาออกจากตะปาไปสุดสาออกจากชุดสาไปชุดสตีออกจากสุดสตีแ่ะวตอนนี้ในผ้าในหันเฟินึงเอาวิหารตปาไปรับไปชุดสาออกจากชุดสาไปชุดสตีออกจากสุัสตีระกอันนี้สกา แลกับปาานี้พ่านในคนนั้นจาพวกหนึ่งอวิหะทัพป า, า, าไปไปทุศศาเมืศศ่อไปไปสุสีบางจำสุ ส, สีไปอาการนิสก่าบางจําพวกเมื่อไปอวิหะทัพป่าทุศศาสุสีไปอาการนิสกาโหลดมันอันนี้สงแห้งากันนี่นนไปปาาีนี้ผานในคนนั้นโหลด น, นี่หลายพวกเก็บทิปเกบปพวกเก็บทิปเก็บทิปเก็บทิปจำพวกพารีจเจ นับเพะสวัดิ์อันนับเนพระทหารเขานะะชุอเาจัุตเติวโชชารินโนซึคงซัมพิปปะโตพสัดิ์ันชุกเกอกาจักรไม่ตั้งงานลาบอกเรตวิโชเขาไม่ตังงานลาดชาร์พินโนเขาไมีตั้งงานลาดซึ่งซัมพิปปะโตเขาไม่ตังงานลาดะวัสดันเอกเด็กข้าพี่เขามีตังงานลาดระวัสดันโกรังโกรเขาไม่ตั้งงานาดะวัสดันซักก ัตปรมก็มีสังหารถ้าจะา้าข้ามีนี่จำพวกเดียวก็มีสังหารนี่คือขนาดจำพวกพรน้าข้ามีก็มีตังานล้านอันตรลาปนี้เนี่ย้ายงสิก็มีตังานล้านพระหเจ้าปนี้เนี่ยผยงสิก็มีตังานล้านสาสังขารปนมีผายี่ยงสิก็มีตั้งานล้านสารสังขารปนี้ผ้นี่ยงสิก็มีตังานล้านพท้างโสอนิสัก้ามีสิก็มีตังานล้านเนี่ยว เห็นผูยังดูดแ่เจ้าเจ้าเอื้นเนื้อห้างไก่าานนกับฝ้าหน้าคำนี่ันเจ้าคณะแข็งยังวานค้ามมาอยกับหางไก่ดคณะแข็งอ่อนฝันตีงูและสีไเพิ่นเห็นนันเป็นักวราดินแน่เป็นักว่าดินคือกันมัดเป็นทศวรรษเนี่ยถ่านไดครับแต่ฝ้าหนาคานีเห็นถึงมันถ่านดินเห็นเป็นกองหมูดกองขุดนวน ก, กอดกันฝันวาง่ห้างกระลูกกอดกันฝันวางอ่ ของเหม็นก well. ็ของเหม็นมาสีกันคนวางขีดินก็ขีดินสีกันคนวางอยู่เอาขีดินไปปอดแค่หูขีดินคนวางอยู่หล่มาเคยยังเอางอกที่กระเย็นไป้อดแค่หูปูคนลองอยู่ต้องเป็นท่าินที่ธาตุนวางอยู่เพราะต้องเป็น่านน้าตไฟธาตุลมทอ่กันคนวางอย่เพาะเานับน้ำเอ่ยเมันโดนแก้มกันนี่สิเลยพกระตุเพื่อกระกระมละ ขดนก็ขีด AH ีนดมกันขีดนก็ขีดีนโดมกันมังถึงักเป็นคินี่อ่ันไม่มีคิดกำลับย้อนสางออกเนีหรือไม่ก็่งรงเสริมย้อนเมื่อจะเป็นคนงูเ่อจะเป็นคนตามคนยอมม่อมาเกิดแก่แ่ตายในวัฏสงสารดีกัน้วหสโตขงมีจากเมตตาตนเน่ยเพราเราจะเป็นสุขเถิดเพราะเราจะเป็นทุกขเถิดอยากออกนี้จากออกโลกอ่ะจังเป็นสัตว์เม่มาในทะเลลงไม่สัตหัวใดวะ มันได้กตายไปทอนสัตวนอุเบินได้ก็ตายไปที่สัตว์เราผู้มันเน่ยน้ายุ่งช่องออกจากตะกดร่างกายเนี่ยเขาิดเหรอเฮารับร้องเเพราะว่าคพมันเป็นบ้าวเพราะมันส่งออกนี้จากสะกดนร่างกายไ้สัตวเพราว่าผพีกหน้าอยู่นี่เฮาเฮารับร้องเหรอมันตำอันนั้นอันนี้วงเงปงําีเอนกันเพราะมันคิดมันมีโอกา่าว้าวาเปร่งปาเร่งเ ิยกกายสติแปว่าหาลึกกายเป็นอารมณ์นะแล้ไปชัยะกายรู้กายนะชันทัศออระาขมเชื้อพิจนาลงกายกรรมาฐานต่างไปมีญาณขมเพียเพียนพิจ น, กนากายสติและลึกในากายสมาธิตั้งมันในในกายปัญญาเราลูกลกในากายอาขอข่อยนั่งเข้าไปแล้ว มีก็อไปอวดเขาของรถน่ามันว่าอะง่ายแหละเนี่ยวดนที่ที่แตกเนี่ยบ่อยนั่งเขาคุณมันยังดํามดินไปคนเห็นหมดกวดน่ะที่เด็กมันฟ้าไปมันอยากนี้จักมันบอกน้าเนี่ยดําดินไปคุณไหมมันจะคอยเขาจะเสียนเขาอยากสีนกอมันส่วนมันอยากมันอยากมันจักมากที่เด็กมอยากมันจักมากมันสวดบอกนะ วามืองกอนจับร bon ับครับจานมือหนึ่งเนอกับมือนึงเคลื่อนหนึ่งนอกรับสองสมงก็พออยู่มือรับคนหนุ่มสามสมองก็พ่ออยู่ที่สมองติดจนทีสมองไปแล้วมือนึงคลืนหนึ่งหมดปดไปอันรับถ้วมันบรับบริบ่าแล้วคขามองมันเกี้วมันเกีไยวในมความถึงรับเอออันบรับเสร็จไปบอกยังเขาพี่หนาอยู่อีกอันหนึกันนึง ก็มาทันเหมอนนเจ้าหนุ่มไอ้ข้มาลับได้เดี๋ยวนี้อันว่าลับมันเหียงมันว่าลับกับพิาอยู่อันลับแล้วพี่แกนาว่าอะไฝันวันได้เป็นพระราหันน็ยมเปลี่ยนเนี่ยฝันว่าฝันเน่ยเป็นพระราหันเป็นว่าแต่มันก็เปลนนี่ยเปลี่ยนมหาวิทายอยู่ฝันว่าเปียนพระราหันเรี่มร้อเริ่ม้องอเ้องปูบันย่างเปลนมหาวิทายอยู่ว่าจะเปลนพระราหัสมัว่าเปลนพระราหันได้บรเนี่ยบ่าวเวรอะว่าัดหนูไมเขาใจว่าเห มันก <idée> ็งี้นะจเป็นมานี่กายอ้ยวันต้เปลี่ยนเพระหมันหันมันในให้บาปมันบาปบ่ตนถามว่าบาปมันในให้บุญมันบุญบ่เ่อเป็นบุญมันเนี่ากันมันอยู่เหนือเหตมันอยู่ในเหตุแต่ผลดินมันก็บว่าสำคัญมันอยู่เนเห็ุแต่ผลมันก็บอกว่าสำคัญอะมันอยู่แต่เหตุแต่ผลอย่างวางน้ำาข้อบกวนทุกอน่าจิตใจขอมยน่ะ พราะงร้านเน่ยม้วห์เฮ็ดคืองขีดินบัว่ลม้อห์เฮ็ดเครื่องนาวกับบัวผลม้วห์เฮ็ดเคือไฟกับบัว่ลม้วห์เฮคื่องล้มกับบัวผลล้มเหอนเชอเอามันเอาเขาเขาจะเอามันไปเป่าไฟมันกับว่ามันห่อนมันกับว่าเครียดให้เขาอเขาจะไปรางขี่เขาจะไปพัดขี่วิ่ขี่เขากับ่ปล่อยเรื่องใจคออะไฟขึ้นกันเขาอาไปเพลียขี้มันกับว่ามีอาการเียหลบสิยโกดเสียตให้เขาอะ หนามเหมือนกันเนีาะไปรางคีมันก็บก่าี่อาการที่โรคติโกรธดโรคไงเขารอบเือกันเขาเอาไปพัดคีมันก็บว่านีอาการที่โรคติดโกรธติดโรคหรอยิดฝดลูกล้านต้เป็นสัตว์หร่ดยงลูกสีนวอยากป็นไรพระรดชชิซีพท่านนี่เบื้องตนของพุทธศาสนาพระท่านมีผู้วงเนี่ยอยมาฟังเถอะสำเร็จสำเร็จเอาหมะแ่ว่าในวงเด้่ประทมาโคตการพระท่านมี่พะราชชิกซี แาีเสจสามก็มีอันนี้ยสองก็่มินี่จะเียไปจ็ดีสมสิบก็บ่ไป็ที่สองิมีไปเจ็ดสี่สี่ี่ก็มเัเเหาขอว่าทนนี้ขนจากเกริกรไปชงพระสวดาบันนะพวกพวกที่ถึงย่างต้าของเชงพระสวดาบันเนี่ยเชองาบันเชิงพระสวดาบันนะบุรมสีรวงระมุดทีขบวนใหญ่เนี่ยบรมสีรวงระมุดเป็นไปในข้างอมายภุ่มเด้่ยพะนนเป็นพรสวดาบันมาจะใด จังไร้านัมเร็จเฮ้พระพุทธเจ้าขสู้พ น, นิพพานแล้วเขาบอมีเวลาธรรมเนียมของพุทธอุ ป, าาปัฏฐานกฎเกณฑ์สังงงส่งพระองค์เจ้าขาสู้นิพพานแล้วจังคอยบ้านช้มเลาหันพอเพิ่นปอดขอนพุทธอุปัฏฐานมาชุ่มบันแนเพ่มาได้ปอดทาน้ำสุดเลยตะเกยบัสพระพุทธเจ้าคือแั้นเพราะไม่เสียมุ่นพนระอุปวานะมุ่งสองทางนาำเียนกันจะด ส่วนพระอนันปัตตเป็นพุทธอุปถาตมันจะรักษาเนี่ยผู้อุปถาพระกุิเจาคนเีเรียาคาโทรศัพท์มหาโมเมียสมก็นิไปพิดพเวไนไหนสักมันพิดพระเวไนยเนี่กัเพราะมันไม่ลาคาโทรศัพท์มงหาไม่วางเกมันพิชทำมวยยืนเถอะมันมีราคาโทรศัพท์มหา้มันสีไปพิชทำพิชเวไนยวันไหสัาาคาโทรศัพท์มันมงหามันน้อยลงแล้วอันถ้าเวไนยส่วนใหาๆมันกไปพิดวานไหั โอ้ศาสพวกเส้นพุทธศาสนาันแล้วนะว่าสามารถจะเป็ยนอวัชธัทิาศีเสร็จ่สามารถจะเป็ Gram ่นอาวัชปานได้ิกทีขาวัดม่งเนี่เป็นที่เขาวที่มเสด็จต่หน้านี่แล้วว่สามารถจิเป็นอวัชชุนลัดจใหกันล่ะบางคนเพิ่แสดงเพื่อไะไรที่อแล้ว่าสามารถจเป็นอวัชปยจิตตีให้กันนี่ล่ะเขแสดงเพื่อที่เธอโอ้ปายจิตตีี่ืมเนี่ยมีอยู่สี่รื้ เคียร์เพรศเกินเวันพระหัตถ์ก็กบบเป็นนี่ตตีเริ่มเคลียร์เรัเกินเวันก็เริมปฏาจจคิวันี่นาะไปจิตตีนี่เราหัวไปเรื่องบบปนนอออไปต้อสอนของพุทธเจ้าันนี่ยวคนนิพพานมันี่เอ๋อห้องอทางคารวะเอาเมีมยบาในลวงพืนกันใ น, นลูกเพื่อนในแนวกัตอนแกฮะเี่ ลดการจได้ที่แหลก็มีเงินเอามีเงินจะแกงงี้ยทุกคนชีเล็เงินจะแกงเงี้ยเงินตัวสามหมื่นเนี่ยย่างคันย่งเน้ยแกงไม่ยพอคนพ้นอาภาษ์พวกคือเขามาหุ่มกินแน่ใช่เพราะเราอะไรขอหาแสนผมนี่เง่นเดือนนำซื้อพันห้าพันเนี่ยพวกเขากินเนี้ยลดการจัดกลดมาแต่แค่การจัด贷เดี๋ยปดาวมาเนี้ย ค่าน้ำมันเอ้ยภาษีน้ำมันเอ้ยภาสีสําแสมเอ๋ยภาสีมันแต่ส่นเขาเขาอีกบบไปบาง่ายอีกระับมันไงหรือเขามาส้นมันไปบาง่ายอีกมันเพ่ก็ได้เขาสามารถเก็บป่วยก็ได้เขาสามารถตายก็ได้อ๋อนี่พอเจด้านเทาผู้เดียวขนาดลุงเนี่ยมันเก็บพวเป็ี่นตายพวเป็นบ่ค่ากินเนี่ย้ฮะภาสีค่ากินเนีนเยค่าเก็บป่วยก็ใช้ฮะาสีเอา ภาษีสังคมเขาเสริรไปกินเรื่องปัญหาวัน น, นี้แน่เขาเสริรมฟแบบเอาบุญเอายังงมันนี้่ภาษีภาษีสังคมเขาแต่งลูกแต่งเมีเขากินโตกินยังกันมือ เ, เขามาเสร์่อมีภาษีอนีรดอกเบี้ยละไรภาษีะอะัรพวกนี้เอาอันลูกเกิดคมาสองคนไงนอนนอเอาที่ดินบมีเมื่อไงเกิดคือมาสองคนละนนั้ลูกเขาเรียนนะฮะเนี่ยว่าสะเรี่องลูกอีกกัน เมียตองไม่ได้ใดตองประหยัดเติมเมียทำไมเมียเขาไม่ได้เขาค่อยๆกินเยอนันเดือดตเขาบวบไปอีกละเมียตองไม่ได้เอก็ตองเป็นคนประหยัดเอกแทนคำนี้เจ้าสู้แล้วไปบาง้วอีกล้วไงคำนี้ว่าเจ้าสู้ข้อกับเจ้าสู้ไปบางแ้วอีกแล้วไงเป็นเรื่องเรกเงินท้าไปอีกไปบแ้อีกล้วไงอ๋อนุ่มสามคนคนนีช่ออะไรกันเมียน้อยพ่อได้บ่น ลูกหลายคนมาเอา่วงบาด น, นปีนึงได้เสแล้วก็ปีนึงได้แป้กระดาษปูปีหนึ่งได้ขางนั่นอเก็บไบมึ่เก็บเตากฝ น, นกบเป็นนี่นต้องหานีมุงอีกเนีย เ, เอาูอโอ้ยไอ้พลอยแม่สาระสุขคือเบินเ้าเอาเนี่ย ถาปกินมนรกจกเกาขงจ้กทานปักันยางสีตาเนไปอยู่มอตตาลูกกระตวลูกกระตัรอมนมีมรกกินนะว้หละหนี่บุไรเยหน้า่าก็ะเบรเอหน้าก็ะเบสื่อเี่ยกเบเออยู่ค่อยก็เบสื่อมักตัวไคนสื่อมาหายลท้ายนอตัวคงมอญเลยมีหนาทีจะห็นากินตอ่านันกยาสีตาเลย น่ะเห็ุมักับบยกอขเดยพลมือขวขมือนึงเมีข้มือหนึ่งอ๋อหันลูกหลายคนขึ้นมาแล้วทุกวันเลี่ยงกรดบักนั่นเลือดบักนี่อี้นั่นอีนี่เขามาละบานเนียควเียเขาก็สูงขึ้นลูกตอเขาเนี่เอ้าเอาเอ้เอ้าวเก็บป่วยมันได้เหรครับกินยังรนี่าเก็บครับค่าซีป่วยมาอันพ่ไว้หนึ่งเขาก็ซื่อบาเนีแล้วา นี่ว่าว่ า, วาถึงสาทุกได้เนี่ยนคนแก่เขาเก็บคนตาย่ยภาษีคนแก่เก็บสายเนี่าีประจำวันเนี่ยค่าน้ำเอ้ยค่าไฟเอ้ยเนี่ยประจำวันค่าปารเอ้ยค่าทองเอ้ยเนี่ยโอ้ยอีกพมีนะออ๋อิว่าพ่อาน่าให้มันคนทุกนี่พ่อวที่บวถึง จ, ง จ, งจะพุ่นจะฟลาเีที่แรกรเลยจะไมผู้ที่แหลกเลยเสียบเปบล่า อย่างเขาาห mental mental mental mental mental ้ามยาวว่ไรเลยว่าเอาแม่เขาบักเสาเนี่ยแม่เขาบักหน่อยเนี่ยแม่เขาบุญธรผู้สาวองนีก็ได้ชิบแบตีชิบบตตัวยืดเร็วยืดเร็วตัวยืด้นเรแล้วโอ้ยี่สิบหกนะน้ออัน ก็โ่มันวัเทียมกับ่มันเทียงจะสะกดละกาย่านาั้นอัอื่นแฉมันมันเียงจะสะกดละกายเขยังม่มันวเียง่างออกแลสะกดละกายเายังม่ยแต่อำนาจวัดนะของเฮาเฉียนอือนอยู่ทางไหนสั่นช่างออกเสีแล้วสะกดละกายเขานัเยังังสายังเหม็นอยู่เฉนอือนหอม่างไรสั่งเนานั่นคือนี่ยนักยาเนี่ยยาเนี่ยอำนคือห้าวนี่คือรถ ใช้อัหกัเพิ่มนะมันแน่น น, น่ะยาแ น, น่นน่ะก้อนชุดชุดต้มน่ะนักเข่านักเข่านักเข่าลายมือไปใช้แห่งก้อนชันลุดชุดต้มทห่งนักเข่ขอขอ า, อ, า, า อ, ข อ, อ, อันเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ไรไม่ได้เกิดมากแตว่าสี่เอาหามันจับพื้นไปกระแบงเมื่อกี้แย่แฉงอลพอแม่เขาไปใช้บัดจังปุยยาตายายของเราไปที่ไหนหมดเดียวพันผู้ติดแคลงดีอยู่ในวัดเาต้องสามเนี่ยแคลงทางแคลงนี่แคลงดีแคลงอะไมันเป็นฝากก็สิ นิมนต์คนละห่าหลังเป็นย่องเิียเส้นคนละหาเข้าวยันจะพูติปฏิบัติเพื่อทิออกจากโลกยวัฏสงสารนี่นะพูติไอยู่ในีโลกเนะวัฏสงสารถึมาแข่งยี่ยู่นี่ขเขางือได้เดียวเนี่เนยเดัง เ, เต็มเป็นฝ้าพูติเขาเข้างือได้เยวเนี้าวเนืะพูติปฏิบัติเพื่อเบือนฆ่เม่าจากองออกจากวัฏสงสารนี่หนละข้าเงเ น, นื้อชื่อเนี่ยเมี่้าถือเป็นอาจารย์อยู่เป็นอาจารย์ใพูนหมวา ผู้ทมาแคงนี้ในโรกไม่สมฉัเนี่ผู้คนนึ่งห้อยสีผู้นหนึ่งออห้อยข้าวอัตฉงึกได้ยัเนี้ยองฉันอ่ะามันอัตฉันเนี่อัตฉนึล้มก้านนั่นแหละถึงันใส่หลวงเต้าหลวงพ่ถึงกระต่ำเฮ้ยศิสลัดแล้มคมมันพระพุทธเจ้าเฮ้ิสลาดแล้มขมเมืนบ า, า, านพระหันมหาข้นสุในโลกพวนี้จะยังงอ่อมเบื่อหน่ายคำนั้นงี้ก็จะยู่งันตัวก็วจะไปยังก็จะเที่ยมาเกิดแคลนกระเพ้ายางนี่แหละ มันหยาดหือว่ามีสาบ้านเส้นอาสาะด้เพื่ ก, กันอยู่นี่แหละเมื่ออยู่ไมุ่กกับนัานหึ่งนี่ืองปากเมื่ออยู่ไม่สุกวออสขแวงแขนวทางไปมาพบตอนไม่กันเด็ดและถึงจริงมาเที่ยงเอาแอาาค่อาชนะกันเน่ว่าท้าท่าาองสารแห่งวัดมีหยกันเป็นเจ้าโลกเทวท้าท่องสารพระเรียกเจา้าผูกระเต็นขุม ไปดเดงดเดงดุ่ด้งมาเสร็จแล้วเน่ยเ่ามาได้บอกมาละรุ่น老妈คือปาคอน่ะปากอยมเนี่ยเก่าเน่าชอนนี่ยเดียเก่าเนี่ยติดฝนมากนะมัแต่งขวมคู่ตอดคู่พี่นี่เข้าไปเปิ้งเป้งังแล้วก็สิ่มไวลูกมันจงหงงเอาไปทำอะไรตายข้าแก่ให้นานลงหามใหญ่ปึงปังปึงปังหมอตายแต่บาคนตายที่ไหนบางคนตายที่ลำไงคนน่ะมึงเอาตายแล้วกระอกให้สังเก บอกกับไตบอกกับไตไม่ร่างไต่ง้างกระดอกเพราะว่าั่กงะตไม่ร่งกระไตไม่ง้างไตไม่ง่างกระดอกเพราะว่ากินไตไม่ยังกระดอกเพรายว่ากินกระไตทุกข้อที่นาเป็นภูี้ทุกแล้วทุกขปบอรตาไม่ทุกจาเป็นแล้วอเปรวนานม่วัาจะเกวาระสักกักขันทัศน์สัจิยายะสังวัตตุการปฏิบัติเพื่อพนทุกจังมี่แต่ข้าพเจ้า จะถึงปากโกแก่ข้าเจ้ทุกโรกรนนินเ า, าเป็นทุกไม่ทุกแล้วทุกข์ทะเลทาเป็นทุกมีเพริญทุไม่ทุกจาเป็นแล้วการที่ผผทพ้นทุกนวตาองสารจะปากโรกแก่ห้องความมจดจากกิเลสทั้งปวงแล้วก็พ้นจากทุกทั้งปวงฉันทำานมาคือปัญญาันกิเลสมางานคือกิเลสอภิสังงานอภิสังขารมาง า, านคืออภิสังขารมัดโยมาง า, านคือวนนนะ ใครเอปุตตะมานมาเทวะุตรเทวะวุฒิก็เป็นมานนี่หมาพระพุทพ่อมาจานร์ลวงเป็นเพื่อเทวะวุฒิมันเป็นมานนี่มันบมันมาสามารถสิ่งผทุกข์ในปัจจุบันนัร้จ้างเป็นที่ไซล์แล้พระพุทพ่อมาจันทร์ลางเป็นเทววุฒิเทวะวุฒตมานเทวะวุตรเทวดาสมพนจทุกไปได้แต่ว่มได้ต่เกิดด้สวรรค์อยู่มันาสามารถสิ่ผลทุกข์ในชาตนั้นมังอสามารถที่เป็นพระอรหันต์ในชานั้นได้วากันออก ชนะเกลียดมาเลคชะมาหมดขันธม่าน้านกันจะขันธ์ปั่นจะขันธเป็นมานอันนึงนันธ์เทียงขันเส็ีทุกข์็เป็นอนาตตาอยู่ขานธ์อย่างฟังอยู่อภิสังขารม่านคืออภิสังขารบุญย่าอภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเน็นชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเนชาสมาธิสมาบัติคำปฏิตินเจะเพี้ยงสมาธิสมาบัตินั่กับเป็นมานว่ามาธิพนทุกข์ได้คำปฏิตินที่ได้บ ทำเพื่ออาบุญใ่ห เ, เป็นมานบุญสร้างบุญให้มันพ่อใช่หมมันเหนือบุญซะมันจังสิบว่าเป็นมานบาปก ะ, ะพ่อไปในตัวอย า, า, านเป็นสังขารในเป็นสังขารคือบาบาปกับเป็นมานอันหนึง่งบุญก็เป็นม่าอันหนึงนนนน่งมันสาว่าทัานพอเป็นมานผูกเข้าไว้ในวัตาสงสารนี่ท่ส้างพ่ออะัก็่เป็นมันดีเ่าพ่อจะออกจากโรคอะไรได้ดบา้าั